เานี้ก็จะให้เขาคิดต่อนะคือจะให้เขาคิดคือเช้านี้จะให้วิธีเฝ้าดูตัวเองนะวิธีเฝ้าดูตัวเองเพราะว่าถ้าเราเฝ้าดูคนอื่นนี่มันมันก็ได้คนอื่นนะแต่เวลาเราเฝ้าดูตัวเองเราก็จะได้เรียนรู้ตัวเราเอง ทีเท่าเราการเฝ้าดูตัวเองนี่จะแยกเป็นสัดส่วนเพื่อให้เราเข้าใจได้ง่ายแยกเป็นสัดเป็นส่วนไปของการทำหน้าที่ของมันแต่ละตัวแต่ละอย่างในการที่จะเฝ้าดูตัวเองมันจะมี องประกอบมันอยู่ห้าส่วน <c oughs> ห้าส่วนเนี่ยนะในวิธีการที่จ ะ, จะฟ้องดูตัวเองเหมือนกับเราจะลองฝ้องดูเราเป็นเร า, เราไปฝึกดูละครนะดูละครดูลิเกยนะ์มันจะมีองค์ประกอบของมัน ค, คล้ายๆกันที่ไหะแต่นั่นเป็นการดูละครดูลิเก ดูอะไรไปแต่ว่าเราจะเฝ้าดูตัวตรวเองเนี่ยมันจะแยกเป็น5ส่วนหนึ่งส่วนที่1คือเวทีเราจะดูละกจะดูละครเนะี่ยมันจะต้องมีเวที1นเวที2ผู้แสดง3เรื่องราว4ผู้ชม5เวลา องค์ประกอบทั้ง5ประการนี้มันจะทำให้เราดูสิ่งนั้นรู้เรื่องสิ่งนั้นเราจะดูรู้เรื่องเมื่อเรามีองค์ประกอบทั้ง5ประการนี้ทีนี้ถ้าเรามาดูตัวเราเองเนี่ยเราก็ใส่องค์ประกอบทั้ง5ประการนี้เป็นตัวเป็นตัวพื้นฐานในการฝึกฝึกดูฝึกรู้ตัวเอง เวทีคืออะไรเวทีของชีวิตเวทีของตัวเรานี่คืออะไรเรารู้อยู่เวทีข้างนอกเป็นพื้นเป็นโล่เพราะว่าเปล่าเอาไว้ใช้สมหรับรองรับเป็นที่เต้นจะเป็นที่เขามีอยู่เวทีที่งานวัดงานวาระบระบงย้อนยุคก็จะมีเวทีใช่ไหม มีเวทีอยู่แล้วก็มีขึ้นผู้คนผู้คนไปขึ้นบนเวทีแล้วก็มีเนื้อหาของเพลงแล้วก็มีคนดูมีคนเต้นมีเวลาเลือกแบบนี้ก็เหมือนกันนั่นเราแยกสัสดส่วนของเราให้ชัดเจนว่าเวทีของเราคืออะไรเวทีนี้มันจะไม่มีคาว่าโกรธใครเกลียดใครรักใครชังใครทั้งสิ้นมันเป็นมีหน้าที่แต่เป็นตัวรองรับ มันเฉยเฉยอนันส่วนหนึ่งของเวทีของเราคือตาเป็นเวทีหนึง่งหูเป็นเวทีหนึง่งจมูกเป็นเวทีหนึง่งเล่นเป็นเวทีหนึง่งกายเป็นเวทีหนึง่งใจเป็นเวทีหนึง่งเขาเรียกว่ามีเวทีอยู่หกหกส่วนหกส่วนตามภาษาพระเขาเรียกว่าอายตนะภายใน อายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนี่เป็นเวทีสิ่งเหล่านี้นี่ไม่ไม่มีอะไรนะโกรธใครไม่เป็นเกลียดใครไม่เป็ น, ร, ร, ปนรักใครไม่เป็นชังใครไม่เป็นแต่เขามีแต่หน้าที่ที่จะมารองรับมารองรับมารองรับคนที่จะมาแสดง มรรับคนที่จะมาแสดงถ้านนั้นเนี่ยนันสังเกตดูตาเป็นเวทีของอะไรตาเป็นเวทีของอะไรอ่าตาเนี่ยจะเป็นเวทีของตัวละครตัวละครคือตัวรูปตัวรูปทั้งหลายรูปคือสีทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดนี่มันจะมาแสดงที่ เ ว, เวทีคือดวงตาฟังดีๆแล้วสังเกตให้ดีนะรูปคือสีทั้งหลายทั้งปวงบนโลกใบนี้มันจะไปเกิดที่ไหนไม่ได้นอกจากที่ดวงตาดวงตาที่เดียวมันจะไม่สามารถไปเกิดที่ได้ที่มันจะรับรู้กันฉันตัวละครของ ของดวงตาก็คือรูปแต่ดวงตาเป็นแค่เวทีเป็นตัวรองรับเฉยๆไม่มีอะไรเป็นคอยจากตัวรองรับนะต่อมาหูเป็นเวทีของเสียงเสียงทั้งหลายทั้งปวงบนโลกใบนี้นะถ้าขาดหูขาดเวทีคือไม่มีหูที่เดียวเนี่ยมันก็ไม่สามารถรับรู้ได้ แต่มันคนละส่วนกันนะมันไม่ใช่ส่วนเดียวกันหูเป็นหน้าที่เป็นเวทีเป็นพื้นเวทีอย่างเนี้ยไว้รองรับสิ่งของที่จะมาตั้งคือตัวละครตัวละครคือเสียงเสียงทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นบนโลกไปเนี้ยมันจะมาเกิดที่นี่เพราะมันมีมเวทีรองรับมันอยู่แล้วมันจะไปเกิดที่อื่นไม่ได้มันก็จะมาเกิดที่หูเท่านั้นจะไปเปิดที่ตาที่จมูกที่ลิ้นที่กายไม่ได้ เราก็มีเส้นทางของเขาว่าเขาจะต้องมาทางนี้จำเวลาได้ได้ยินเสียงต่างๆจะเป็นเสียงอะไรก็ช่างมันจะมาแสดงที่หูตัวละครทั้งหลายทั้งปวงจะแสดงที่หูคือตัวละครคือเสียงจะมาแสดงที่หูตัวต่อมาคือตัวเวทีคือตัวเจ้าหมูเนี่ยจมูเป็นเวทีกลิ่นทั้งหลาย กล่นทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะมันก็จะเข้ามาทางเนี้มันก็จะมาแสดงตัวละครทั้งหลายทั้งปวงคือกลิ่นมันก็จะเข้ามาแสดงเข้ามาแสดงเข้ามาแสดงเข้ามาแสดงที่จมูกเพราะมันตัวละครสึ่อกันและกันมันมีวิธีเข้ามาแล้วก็มีตัวละครที่จะมาแสดงจะเป็นตัวละครตัวอื่นไม่ได้ไม่ได้ไไดนะ จะเอามาแทนกันไม่ได้อันต่อมาคือตัวลิ้เป็นเวทีของรถเวทีของรถรถทั้งหลายบนโลกไปเนี่ยจะเป็นรถเปรี้ยวรถหวานร ถ, ร ถ, รถมันรถเค็มรถเผ็ดอะไรก็สรางเตอะรถที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมาแสดงบนลิ้นจะไปที่อื่นไม่ได้ ฉะนั้นรถทั้งหลายไม่ใช่ลิ้นลิ้นทั้งหลายก็ไม่ใช่รถเสียงทั้งหลายก็ไม่ใช่หูหูทั้งหลายก็ไม่ใช่เสียงกลิ่นทั้งหลายก็ไม่ใช่จมูกจมูกทั้งหลายก็ไม่ใช่กลิ่นรูปทั้งหลายก็ไม่ใช่ตาตาทั้งหลายก็ไม่ใช่รูปเขาเป็นแต่ว่าเขาเป็นหน้าที่ทํากันรับกัน ส่วนกายเหมือนกันเราดูดีๆกายกับสิ่งที่มาเกิดกับกายเนี่ยเนี่ยบางครั้งเราเราจังงงมากเลยภาวะของกายกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายไม่รู้ว่าอันไหนเป็นกายอันไหนสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเรามีกายแล้วก็มีเย็นร้อนอ่อนแข็งเก้งเต็มไหวเจ็บปวดเมื่อยเทียต่างๆอาการที่เกิดขึ้นต่างๆนี่นี่คืออาการที่มาเกิดกับกายนะ ร้อนมัง่งอุ่นมัง่งเย็นมัง่งไหวมัง่งนิ่ง ม, มังเจ็บมัง่งปวดมัง่งถ่ายอุจจระปัสสาวะอะไรต่างๆเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวกายไม่ใช่ตัวกายความหิวก็ไม่ใช่ตัวกายความอุ่นก็ไม่ใช่ตัวกายความร้อนก็ไม่ใช่ตัวกายแต่เมื่อมีกายเป็นเวทีแล้วสิ่งเหล่านี้จะมามาแสดงโลดเล่นมาเต้นแร็เต้นกายอยู่กับร่างกายเอะนี่ คือเวทีเช่นพรรษาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเราเดี๋ยวนี้ยอย่างเช่นตัวเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีตัวร่างกายนยีแต่มันเปน็นเป็นตัวมาแสดงบนร่างกายเพราะร่างกายเป็นเวทีให้มันแสดงมันก็ต้องแสดงงั้นชีวิตทั้งชีวิตของเราเนี่ยจะต้องแบกภาระอันนี้ไปจนตายเพราะมันมีวิบากขก็มันวิบากที่ลำบากขก็มัน เมื่อเกิดมาแล้วมีสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้เกิดเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่เราทํไม่ให้มันเกิดนี่แหละเป็นเรื่องผิดปกติใช่หไหมอย่างเช่นเราไม่ให้ตามเห็นรูปอย่างเงี้ยมันผิดปกติก็ตาบอดก็หมดประโยชน์จากการเห็นรูปทั้งหลายทั้งปวงจากส่วนใจก็เหมือนกันใจเนี่ยก็คือเวทีนั่นแหละเวทีมานั่นแหละแล้วก็จะมีอารมณ์ มาเกิดมีอารมณ์มาเกิดตลอดอารมณ์คือความคิดความคิดจริงไม่ใช่ใจใจจริงไม่ใช่ความคิดแต่ความคิดมาเกิดที่ใจเพราะใจเป็นเวทีให้มันเกิดมันจะไปเกิดที่อื่นไม่ได้นะไปเกิดที่อื่นไม่ได้อารมณ์ทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายมันก็จะเป็นอารมณ์ที่ไปเกิดที่ใจที่ใจใจนี่จะรับรู้อารมณ์ทั้ง5 เป็นตัวรับรู้อารมณ์ท้งห้าแต่อารมณ์ทั้งห้าก็ไม่ใช่ตัวใจเพราะว่าใจแค่เป็นแค่เวทีให้อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมาสแสดงเท่านั้นเองเมื่อเราแยกได้ชัดว่าอันไหนคือเวทีเนี่ยอันไหนคือตัวละครเราก็จะเริ่มแล้ตัวละครตัวเวทีคือตัวอยิชชาภายในตาหูจมูกร่นกายใจตัวเวทีนะ มายาตาภายในคือตาหูจมูกลิ้นใจใจตัวละครก็คือตัวรูปตัวเสียงตัวกลิ่นตัวรสตัวสัมผัสแล้วก็ตัวธรรมอารมณ์หรือตัวอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นตัวละครที่มาแสดงที่นี่เมื่อเขามาแสดงแล้วเนี่ยเขาแสดงเรื่องอะไรนะดูดีๆเขาแสดงเรื่องอะไรมันมีการแสดงอยู่นะ แต่เขาแสดงเรื่องอะไรส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแสดงเรื่องอะไรเราจะรู้จักเขาจะแสดงเรื่องที่เรารู้จักชัดๆที่สุดือเขาจะแสดงเรื่องพอใจไม่พอใจเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะเกิดภาวะของภามพอใจและไม่พอใจเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีมาแสดงอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มที่ให้เรารู้สึกพอใจเนี่ยรูปเสีย ง, งกิจรสสัมผัสเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกพอใจเพราะเป็นกลุ่มฝ่ายที่เรารู้สึกว่าเป็นกลุ่มฝ่ายที่ที่ดีที่เราชอบอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เรามาแสดงแล้วเรารู้สึกมันไม่ชอบแต่ในความเป็นจริงของมันแล้วมันจะแสดงตามหน้าที่ของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันที่จะแสดงนั่นแหละ แต่ส่วนใหญ่พอมันแสดงปั๊บเนี่ยกลุ่มไหนเราพอใจเราก็จะเกิดภาวะของความชอบใจชอบใจแต่กลุ่มไหนที่มันแสดงในภาวะของการที่เราตรงกันข้ามแล้วก็ไม่ชอบใจอย่างเช่นเสียงคนชมเสียงคนพูดเพราะเะเียสียงคนชมเสียงคนพูดเพราะเพราะที่มากระทบกับหูเสียงเพลงเสียงนงกร้องเสียงกลุ่มเนียที่มันเกิดที่หูเนี่ย เราก็จะเกิดภาวะความพอใจความชอบใจแต่เสียงตรงกันข้ามเสียงด่าเสียงแช่งเสียงตุเสียงบน่นเสียงว่าที่มันเกิดกับผูเราแลเราก็จะเกิดภาวะความเกลียดความไม่ชอบความไม่พอใจนี่แต่ภาวะของมันแล้วเรื่องราวของมั น, นมันก็สแสดงตามหน้าที่นั่นแหละแต่เราแปลงสัญญาณเองแปลงไปสู่ความพอใจไม่พอใจ แรกๆที่เราเกิดมาครั้งแรกมันจะทำหน้าที่เขามันอย่างบริสุทธิ์นะทำหน้าที่รับรู้อย่างบริสุทธิ์เด็กเกิดขึ้นมาก็มีตัวการรับรู้แล้วเขาจะรับรู้ก็อย่างบริสุทธิ์ไม่มีการเสแสร้งไม่มีการมารยาไม่มีการเลือกเลือกไม่มีการว่าจะต้องการแบบนั้นต้องการแบบนี้แรกแกตาหูจมูกลิ่นกายใจทาหน้าที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรารมณ์ทำหน้าที่ เด็กน้อยก็ทำหน้าที่รับรู้รับรู้แบบไม่มีความหมายอะไรรับรู้มันแบบไม่มีความหมายอะไรแล้วมันก็จะแสดงภาวะของมันในตัวของมันเองอย่างบริสุทธิ์พอเราได้พอเราได้เรียนรู้หรือเราได้มีคนให้ค่ากับมันหรือให้สัญญากับมันก็ค่อยๆสร้างความแรกๆเรา ก, ก็จะสอนเด็กว่า อันนี้ของเราอันนี้ของเขาอันนี้ของพ่อของแม่อนยะ่อันนี้ของลูกนะแรกๆเราก็สอนค่อยๆสอนไปพอช่วงที่เราสอนอย่างนี้แหละไอ้ความรู้สึกมันก็จากเดิมที่บริสุทธิ์ก็เชื่อมปลูกฝังปลูกฝังให้มีความรู้สึกว่าเป็นของเราของเขามีตัวเราตัวเขาขึ้นมานพอโตขึ้นมาหน่อยมันก็จะมีญาติเราญาติเขาพวกเราพวกเขามันก็จะมีภาวะพวกนี้ จะมีกลุ่มเรากลุ่มเขาติดตามมาด้วยพอโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งมันก็จะสอนเรื่องเขาก็จะสอนเรื่องเรื่องถูกเรื่องผิดทำอย่างนี้ผิดนะลูกทำอย่างนี้ถูกนะลูกหรือไปกันไปครูไปโรงเรียนครูก็จะสอนเรื่องถูกเรื่องผิดทำการบ้านอันนี้ผิดนะต้องไปแก้อย่างนี้ถูกนะก็จะเกิดการเรียนรู้สอนเรื่องถูกเรื่องผิดขึ้นมา เรื่องถูกเรื่องผิดที่เรื่องถูกเรื่องผิดอย่างแล้วแต่ใครจะบัญญัติว่าอย่างนี้ถูกนะอย่างนี้ผิดแล้วแต่ละกลุ่มแต่ละแต่กลุ่มแต่ละคณะก็ว่ากันไปอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดไม่รู้อะไรถูกผิดแน่เอาแต่เขาเรียกว่าเอาแต่กลุ่มชนที่บัญญัติขึ้นมากลุ่มชนที่บัญญัติขึ้นมาในการอยู่ร่วมกันแล้วต้องทากันอย่างนี้น่าจะถูก ถ้าทํากันอย่างนี้ผิดอย่างเช่นถ้ารู้อยู่แั่ง่ายๆชิ้กลุ่มชนของโจรเนี่ยเท่าถูกก็คือต้องต้นต้องข้าต้องได้ซักมาจากการยื้อแย้งถูกแต่ทําไม่ได้ผิดอย่างเงี้ยจะได้กลุ่มอื่นอีกกลุ่มหนึ่งที่ก็มีกฎหมายห้ามเบียดเบียนกันอะไรกันหนึ่งมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่กลุ่มถูกกลุ่มผิดเนี่ยก็จะถูกสอนขึ้นมาพระเจ้าก็สอนไว้ว่าอย่าไปผิดศีลห้านะทําสลทาผิดศีลห้าเนี่ยผิดนะ แต่ทําตามสินาเนี่ยถูกนะเนี่ยก็จะมีการการสอนเรื่องถูกเรื่องผิดขึ้นมาเอาต่อไปอีกก็จะสอนเรื่องทีนี้เรื่องพอใจไม่พอใจแล้วพอใจไม่พอใจแล้วพอเด็กเราเกิดมาเด็กมันโตขึ้นมาหน่อยปุ๊เนี่ยพอใหญ่ขึ้นโตขึ้นนิดตามขึ้นมันจะไปหาพวกที่พอใจมันจะไปทําตามที่พอใจไม่รู้ว่าถูกผิดไม่สนเอาความพอใจเป็นแบบเอาความพอใจเป็นใหญ่ ถูกผิดไม่สนเด็กจึงมีพฤติกรรมในการที่จะทดลองอะไรก็ได้ที่ฉันพอใจจะทําบางครั้งทน ก, กระแสะความถูกผิดด้วยซ้ํำฉันพอใจจะทํามันก็เรื่องทาตามความพอใจไม่พอใจเสมอพอโตขึ้นมาอีกหน่อยความพอใจไม่พอใจก็ไปสู่ความรักความชอบความอะไรเยอะแยะไล่ไปนู่นแหละก็ถูกสอนเสมอโตขึ้นมาอีกหน่อยก็จะถูกสอนเรื่องรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไร มีการภาวะการทำงานมีภาวะการได้การเสียได้มาเสียไปได้มาเสียไปได้มาเสียไปได้เงินมาแล้วก็เสียเงินไปบางครั้งเราก็เกิดภาวะกันได้คนรักมาก็เสียคนรักไปได้มีพ่อแม่มาพ่อแม่ก็เสียไปมีสิ่งของมาสิ่งของก็เสียไปก็จะเริ่มสึกสึกกันได้การเสียเริ่มได้การเสียพอเริ่มได้เริ่มเสียมากๆเาก็เริ่มเริ่มสอนเรื่งหาเหตุว่า มันได้ยังไงมันเสียยังไงก็จะเริ่มพัฒนานการศึกษาเรียนรู้เรื่องอีกในการได้การเสียของมันโตก็ไม่หน่อยนีดเนี่ยเราก็จะวนเวียนอยู่ในระดับแค่นี้นะระดับแค่นี้ที่เราเป็นมาตอนเนี้ยตอนนี้เราติดอยู่แค่พอใจไม่พอใจฉันไม่พอใจฉันก็ไม่อยากทําดีแค่ไหนฉันก็ไม่เอาเพราะฉันไม่พอใจแต่ฉันพอใจเนี่ย มันยากมันลําบากมันยากมันลําบากและมันเลวร้ายแล้วรู้สึกว่าเป็นอันตรายอะไรฉันก็จะเอาถ้าฉันพอใจเกร็งไหมเวลาเรามายกมือสร้างจังหวะเดินโยกโคมเนี่ยเวลามันปวดมันเมื่อยไปหมดทั้งตัวเลยแล้วตอนเราไปทํางานเป็นไหมเป็นเป็นอีกวันหนึ่งคุยคุยกับกับโยมเนี่ย พอมาเดิอนจงกูมสร้างจังหวะเนบ่นชิบหายไหวปวงมันปวดมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันวุ่นมันลําบากมันไม่สบายเลยอีทีปีกินเหล้าเมาเนี่ยมันไม่เคยบ่นมันก็บอกอัตตะกิเรมาถามด้โยงเข่งไปตึงไปแต่อตัวมันวิ่งตามความชอบใจของมันั้นมันไม่เคยบ่นเลยว่ามันตึงไปเข่งไปลําบากเกินไปไม่มีอ่ะเอาสนุกเขาว่าเอ้า สังเกต ด, ดูเนี่ยอ ม, มีเพลงให้ไปเต้นมันเต้นทัานคืนก็เต้นได้ใช่ไหมแต่ลองดูสิให้มันยืนทํางานเนี่ยแค่ครึ่งวันมันก็บ่นจะตายเรียกว่าแล้ว ก, แวก็แล้วก็เอาคําพูดของพระเจ้าว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันอัดตัด ก, กระเด็นมาฐานโยกนะมันตึงเกินไปเอาแล้วพระเจ้าเกาบอกไว้สองทางไม่ใช่ทางหย่อนนะ่ะคุณไปด้เูดิวเลยว่าทางหย่อนเป็นยังไงอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากเล่นก็เล่นอยากไปก็ไปอยากทําก็ทําไม่อยาก ทำอะไรก็ไม่ต้องทําวเการมาสุขขันิการนิโยคือเสีความสุขไม่เคยคิดอะเสบความชอบใจไม่เคยคิดแต่ต้องเกิดปฏิกจัยในการสวนกลับในการที่ต้องฝืนแล้วก็เอาและอ้างเหตุผลสารพัดหนะ่อยอ้าลองลำบากลองดูนะถ้าเราทำแล้วสมมติว่าเจ็ดวันนี้ได้เงินสักสักหมื่นหนึ่งเนี่ยลาบากแค่ไหนจะก็รุยใช่ไหม เ็ดวันนี้ไม่ได้อะไรเลยยังรู้สึกโมโหง่ายแค่ไหนจนก็ว่าไม่ยากนั่แหละมันเกิดภาวะพวกนี้ทีนี้นี่นี่คือการแสดงเรื่องราวเรื่องราวปรมามาตั้งแต่เรื่องที่เราเริ่มไปนั่นแหละตั้งแต่เริ่มเป็นของเราของเขาใช่เริ่มเป็นของถูกของผิดเริ่มเรียนรู้เป็นของพอใจไม่พอใจเริ่มเรียนรู้เรื่องของได้ของเสียเริ่มเรียนรูเรื่องเหตุปัจจัย แต่มันไม่มีการเริ่มมาเรียนรู้เรื่องการเกิดการหายของสภาวะไงตรงจุดนี้เป็นจุดการเจริญปัสสาวตรงจุดเนี้มันไม่มาเรียนรู้ตรงนี้มันไม่ขยับจิตวิญญาณมาตรงนี้มันจึงปล่อยอะไรไม่ได้วางอะไรไม่ได้เลิกอะไรไม่ได้มันไม่มาเรียนรู้ตรงจุดเนี้ภาวะของจุดนี้มันไม่มีมันได้ฝึกมันก็หลงไปนั่นแหละหลงไปกับความชอบใจไม่ชอบใจอย่างนี้อันนี้คือเรื่องราวที่มันแสดงอยู่ในกลุ่มของเรื่องราว เราต้องพัฒนาเรื่องราวให้เห็นความเป็นจริงแล้วเรื่องราวเหล่านั้นน่ะถูกผิดพอใจไม่พอใจไม่ใช่เรื่องจริงเลยเป็นเรื่องที่ที่แต่งเอาเมคเอานึกเอาสร้างภาพเอาแต่เรื่องจริงเนี่ยมันสมัยตอนเด็กๆเราเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคือเรื่องจริงรูปเกิดขึ้นมาแล้วรูปก็หายเสียงเกิดขึ้นมาแล้วเสียงก็หายกลิ่นเกิดขึ้นมาแล้วกลิ่นก็หายรถเกิดขึ้นมาแล้วรถก็หายอารมณ์เกิดกับใจเกิดขึ้นมาแล้วก็หายแต่ทีนี้พอเราโตขึ้นมาทําไมมันไม่หาย เคยถามตัวเองไหมโกรธมาแล้วทําไมมันไม่หายทั้งที่มันก่อนหายนั่นแหละแต่เรารู้สึกว่ามันไม่หายเพราะอะไรเนี่ยคือเหตุวัจจัยที่เราไม่เข้าใจเพราะเราไม่มีการฝึกทัศนกษาในการเรียนรู้ตามความเป็นจริงของมันที่มันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นขณนะเดียวดับไปขณะเดียวดับไปขณะเดียวดับไปขณะเดียวดับไป ถ้าเราจิตใจเราเรียนรู้เขาอันนี้ ب ب บ่อยๆก็จิตใจเราจะมันพูดง่ายๆถ้าเราอยากแล้วทําตามความอยากแล้วความอยากก็หายไปถ้าเราอยากแล้วเราไม่ทําตามความอยากแล้วความอยากนั้นก็หายไปแล้วเราจะโง่หรือที่ไปทําตามมันน่ะเรืองยังโง่อีกโง่ง่ายก็โง่งงงต่อไปไม่แต่เป็นศิษย์พระพุทธเจ้าหรอกดูง่ายๆอย่างเราโกรธเราทําตามความโกรธเต็มทศศศรรีท่เลยนะ ยังนั้นยังนี้ยังนแล้วความโกรธนั้นก็สลายตัวเหนื่อยแทบตายในการทําตามความโกรธแล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาสกับคนอื่นแทบตายแต่ความโกรธนั่นก็หายใช่ไหมแล้วมันโกรธเหมือนกันแต่ถ้าไม่ทําตามมันหรอนั่ดูไม่เฉยแล้วก็หายแล้วเราอย่งจะโง่ไปกันอีกอยากจะเป็นลําบากทําตามมันแล้วมันก็หายไปงั้นเรื่องดีๆในใจทั้งหลายทั้งปวงนี่เกิดขึ้นมาเราหลงไป อันนี้เรียกกลุ่มของกลุ่มของเรื่องราวแบ่งไปชัดๆนะกลุ่มบทีกลุ่มตัวละครกลุ่มเรื่องราวต่อมาถ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีคนดูมันรู้เรื่องไหมมันต้องดูกับกลุ่มของคนดูคืออะไรถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีปุ๊บไม่มีคนดูนะต่อให้มันแสดงมาเป็น ร้อยครั้งพันผลก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยหละเหมือนเราเนี่ยมันแสดงอยู่ตั้งร้อยครั้งพันผลเรารู้เรื่องไหมลนะ่ะถ้ารู้เรื่องแล้วมันไม่เข้าไปในเรื่องเราที่ทุกวันเนี้ยที่ต้องเศร้าต้องฮ้องต้องซึมต้องไปอยู่ในโลกของความคิดเพราะมันไม่รู้เรื่องไม่ยอมมีเรื่องแต่ไม่ยอมรู้เรื่องเหมือนเขาเป็นอยู่เนี่ยนี่มาดูกลุ่มของผู้ดูคือใคร กุ่มก็มาดูก็คือกลุ่มก็มาดูก็คือผู้ดูนั่นแหละผู้ดูบ้างผู้ชมบ้างใช่ไหมไปดูไอผู้ดูผู้ชมที่เขาดูเขาาดูละครก็ชมละครเนี่ยเขาไปทําอะไรเขาตั้งดูข้างเวทีอ่ะเขาเคยกระโดดจะไปบนเวทีไหมเปล่าหนังดูไปดูฟุตบอลน่ะสังเกตไปดูฟุตบอลน่ะมันไม่ได้ไปเหนื่อยกับฟุตบอลน่ะ หรือเหนื่อยให้คนไหนได้เสียคนรุ้นไปดิจริงๆผู้ดูเขานี่ะคือผู้ดูก็คือผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นภาวะของรู้สึกตัวภาวะของผู้รู้เนี่ยภาวะของผู้ดูไม่ใช่ผู้คิดนี่ผู้คิดนั่นแหละคือผู้ที่ผู้คิดน่ยคือผู้รวมเข้าไปแสดงกับมันผู้คิดเน่ยที่ไปดูปุ๊บไปชอบวิจารณ์เนี่ย วิจาร น, น, น, น, นันี่นู่นนั่นนี่นู่นอย่างนั้นอย่างนี้ยังยงูงงง้ชอบไปวิจารมาไม่ใช่นะยันเราต้องรู้ว่าผู้ดูกับผู้เข้าไปจัดการสิ่งที่ดูต่างกันยังไงผู้คิดนี่แหละคือผู้ที่เข้าไปแทรกแซงในกระบวนการในการเรียนรู้ของเราทั้งหมดเลยผู้นึกผู้คิดเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าไปแทรกแซงเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บแล้วก็แทรกแซง เอาเวลาละครมาแสดงถ้าบทชอบใจเลยนะมันพยาพยามส่งเสริมให้เกิดบทบาทนั้นบ่อยๆสังเกตอยู่ดีๆสิเวลาเราชอบใจอะไรหรือเกิดภาวะที่เราชอบใจเราจะพยาพยามกระตุ้นคิดที่จะกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดภาวะอันนั้นอยู่กับเราให้นานๆที่สุดอุปนิสัยในการทําอย่างนี้อมันจะเป็นอุปนิสัยในการตรงกันข้ามใช่ีห พอเกิดภาวะไม่ชอบใจมันก็คิดที่จะทำลายภาวะนั้นให้หายไปให้เร็วที่สุดแต่มันไม่หายมันไม่หายมันก็เลยวุ่นวายทนีวุ่นวายแทนที่จะนั่งดูละครเฉยๆกลับไปแสดงซะอีกมันผิดบทบาทมันผิดหน้าที่มันแทนที่ตัวเองไม่ต้องเหนื่อยแต่ไปทำให้ตัวเองเหนื่อยจิตใจไม่ต้องเหนื่อยจิตใจไม่ต้องลำบาก แต่ไปทำให้จิตใจลำบากเข้าไปแสดงเข้าไปจัดฉาเข้าไปเป็นผู้จัดการเข้าไปแทรกแซงเข้าไปรับอันนั้นชังอันนี้เข้าไปหมดเลยเข้าไปร่วมบทบาทกับมันหมดเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมเราจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเราได้เรียนรู้มาแต่เก่าเรียนรู้ซึมซับมาแต่เก่า เรียนรู้ซึมซับความชอบใจไม่ชอบใจเราก็เลยไปยึดเราไม่ได้เรียนรู้การเกิดการหายการเกิดการหายการเกิดการาของพวกนี้มันอยู่เรื่อยของสภาวะตัวละครที่เขามาแล้วเขาก็ไปสังเกต ด, ดีๆสิมีอะไรบ้านมีเสียงทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่หูไหมมันเคยอยู่กับหูไหมมันเคยคาอยู่ที่หูไหมแม้แต่เอาหูฟังไปใส่มันยังกันดับเลย ใช่ไหมนั่นเสียงทั้งหลายที่มากระทบเน่ยเพราะเสียงมันไม่ใช่หูไงมันแค่เป็นหูเป็นแค่เวทีมากระทบแล้วก็ไปกระทบแล้วก็ไปกระทบแล้วก็ไปรูปทั้งหลายที่เราดูเนี่ยมันเหมือนกล้องถ่ายรูปไหมเก็บไว้หมดเลยเมมโมรีเต็มหรือยังเก็บไม่หมดว่ะภาพที่ปรากฏดวงตาเยอะแยะมากมายมันปรากฏแล้วมก็ผ่านเพราะมันไม่ใช่ดวงตา แต่มันเป็นภาพที่มาเกิดดุตาแล้วก็สลายแล้วก็สลายแล้วก็สลายตัวมันจึงไม่เก็บอะไรแต่รับรู้ว่าคืออะไรแล้วกลิ่นน่ะมันเก็บไว้เต็มรูจมูกกลยังจนหายใจให่ออกอ่ะก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันมาแล้วก็สลายมาแล้วก็สลายแ ล, ล, ล้วรสอ่ะก็เหมือนกันแล้วภาษาทางกายนี่แหละ เ, เดี๋ยวรอ้อนเดี๋ยวอุเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อย เดี๋ยวหิวเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวเจ็บนั่นเจ็บนี่มันมาแล้วก็หายมันมาแล้วก็หายแล้วใจเราทําไมพไมิษเป็นอย่างนี้มันเจ็บอะไรกันนักหนาเน่าอย่างเน่าในใจอย่างมันเก็บไว้ทําไมนักหนานะทั้งที่ความโกรธมันมาแล้วก็สลายตัวความชอบใจมันมาแล้วก็สลายตัวใช่ไหมยังไม่หาย ความสุขทั้งหลายทั้งปวงที่เราคิดว่ามันคือความสุขความสุขที่มันเกิดกับเรามันก็หายไปแล้วแล้วมันอยู่กับเราตลอดถ้าอยู่ด้วยถ้ามันอยู่ได้ก็บอกด้วยทำยังไงจะได้ทำด้วยคิดเอามันก็ไม่อยู่กับเราอ่ะมาแล้วก็ไปมาด้วยเนี่ยถ้าเราทำหน้าที่ในการที่จะเป็นผู้ดูเนี่ยกลุ่มผู้ดูจริงๆยงไม่ใช่กลุ่มผู้คิดกลุ่มผู้ดูจริงๆ มันจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วใจเราไอ้เพราะใจเราคือมีหน้าที่เป็นผู้ดูจริงๆไม่ใช่ผู้นึกผู้คิดะไรถ้ารู้จักตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะจะเข้าใจออะไร ม, มันก็ช่้างผลอะไรจะไปชื่อสาอะไรกับมัน <c oughs> ของมันเป็นอย่างนี้ของมันอยู่อย่างนี้ของมันเกิดแบบนี้ของมันแสดงตัวเองแบบนี้ผลสุดท้ายรูปเสียงกินรสสัมผัสทั้งหมดเขาแสดงตัวแบบไหนเราต้องรู้ตามแบบเขา อย่าไปรู้ขัดแย้งกับที่เขาแสดงรู้ไหมรูปเสียงกินรถสัมผัสแล้วก็ทำมรรคทั้งหลายเขาแสดงแบบไหนเฮ้เขามาแล้วก็กไปเขาแสดงแบบนีเนบ้เกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นละทำไมอาตมาจึงย้ำนักหนาว่าให้เรียนรู้ตรงจุดนี้เพื่อให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงของมัน แล้จะได้เข้าใจมันอย่างแท้จริงเมื่อเข้าใจมันอยากได้แท้จริงปุ๊บใจจะยอมรับความเป็นจริงเมื่อใจยอมรับความเป็นจริงปุ๊บใจจะหยุดดิ้นรนที่จะได้นะความสุขจากสิ่งเหล่านี้หยุดเพราะมันไม่มีความสุขมันจะรู้จักสิ่งเหล่านี้ไม่ทําให้เกิดมันมีความสุขได้เลยความสุขขก็มันคือนั่งดูมันเฉยๆนั่งดูมันเฉยๆนั่งดูวันมานั่งดูมันไปนั่งดูวันมานั่งดูมันไป โอ้สบายสุดๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องวิ่งตามมันมาวิ่งตามมันไปเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราวิ่งตามมันมาวิ่งตามไปผลสุดท้ายเป็นอะไรเป็นความคิดอันนี้คือผู้ดูผู้ดูผู้รู้รู้สึกตัวอะไรก็ช่างเหอะเขาบอกตัวพุทะตัวอะไรช่างตัวนี้แหละไม่ต้องไปพูดอะไรมากที่เกียวกัอธิบายฌานบางมั่างอะไรเยอะแยะวนวายงงกว่าเปล่าความมันยังไง เอาง่ายๆรูกบั่งนามบ้างไม่ต้องไปเอาอะไรเอามันง่ายๆเลยภาษาที่มันงาน่ายมันก็เป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละภาษาที่เขาพูดพูดบางทีก็ภาษาให้มันรู้ให้เรารู้สึกฟังไม่ออกเฉยๆให้ทำเราสึกเราโม่ที่จริงไม่ใช่เลยหรอกเรื่องเดีวเราสึกโอ้พูดภาษานี่พอใครพูดภาษาอังกฤษว่าผมโง่ผมไม่ภาษาอังกฤษไม่เป็นนะผเป็นแต่ภาษาไทย ทเรืองอะไรมากสภาวะธรรมเป็นเรื่องพื่นๆเรื่องธรรมดาธรรมดาพีนแต่คนไปบัญญัติภาษาให้มันสับสนเจ๊เจ๊มันไม่มีภาษาในซ้ําไปตัวมันอนะ่ะคนไปใส่สมมุติให้มันอันนั่นอันนี้อันนู่ น, น, น, น, นแม้แต่ใส่ว่ารู้นี่กัผู้รู้นี่ก็เหมือนกันนี่นก็คือภาวะของมันแต่ตัวมันเองอมันรู้อยู่แล้วจับเขี่ยโอ้ตัวเองไม่รู้หรตัวเองเก็บอะไรมันรู้ไม่ใช่ไม่รู้หรอก ถ้าไม่รู้จะสร้างไปอะไรอย hey, yes. ่างเงี้ฉันเขียนตัวเองนะก็รู้มันรู้อยู่แล้วหูเนี่ยเวลาเสียงอะไรเกิดขึ้นมามันก็รู้มันได้ยินมันอยู่แล้วชิดต่างอะไรมากเวลาใจมันคิดอะไรขึ้นมาพุ๊มันก็รู้หมดอยู่แล้วแต่ทําไมพอรู้แล้วเราไม่รู้เราไม่รู้เฉยเฉยอ่ะทำยังไงจะให้มันหายเนี่ยไม่ดีไม่ดีก็เคยไปกับมันกับเผลอไปเล่นกับมันโอ้ยกว่าจะรู้ตัวได้อันนี้ก็ได้ากลุ่มของ ูรู้ไม่ใช่ผูคิดรู้ตามเป็นจริงที่มันปรากฏเดี๋ยวนี้ทีนี้เวลาคนสุดท้ายจะมากลุ่มตัวสุดท้ายละครเรื่องนี้แสดงตอนไหนละครจริงๆแสดงตอนไหนตอนเปิดทีวีตอนไหนเวลาก็าจะมีเวลาตั้งใช่ไหมอ่าอืมประมาณสัก5้าโมงเย็นอย่างเงี้ยหกโมงเย็นไปนดูนะเริ่งนี้กลาลังจะแสดงนะแสดงนะ เขวิจารณ์เลยที่ละครไทยนี่มันพิเศมันไม่เคยพัฒนาเลยมันแสดงแต่ละทีนี่โอ้โหมันมีแต่อิจฉาริสยาแย่งหัวแย่งเมียแย่งสมบัติกันมันไม่มีพัฒนาในไปดูละครที่อื่ น, นเขาเขาเป็นละครสร้างสรรค์แสดงสร้างสรรค์ให้เกิดคนเกิดการอต่อสู้เกิดความอดทนอย่างบางทีญี่ปุ่นเนี่ยที่มันทําน่ยที่เกาหลีที่มันเนี่ยมันทําละครแบบสร้างสรรค์ ให้เสียสละให้อดทนแม้แต่ถูกบีบคั้นถูกอะไรก็ตามแต่อันนา้อิจฉาลดสิยาห์กันบางทีเราก็ทำํำไมนางเอกนางเอกนี่มันโอ้จังให้ก็ทําอยู่นะเป็นเราจะไเต๋อสักทีนึงเราดูตรงเรามันเขี้ยวอันนี้อันนี้เสินเสิร์ได้วยอันเนี้เวลาสําคัญที่สุดคือเวลาเวลาของเรื่องเราที่จะเรียนชีวิตเราจริงๆคือเวลานี้ เวลานี้อดีตไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องไปศึกษามนะันมันจริงแต่มันผ่านไปแล้วอนาคตก็ไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องไปกังวลมันจะเกิดขึ้นแต่จะไม่เกิดไม่ต้องไปสนใจพระเจ้าต้องบอกนะอนดีตก็ละไปแล้วอนาคตก็จะมาไม่ถึงแต่ปัจจุบันเนี่ยเรียนรู้ละมันให้ได้เพราะปัจจุบันนี่แหละคือเวลาจริงตอนนี้อะไรการแสดงเสียงแสดงที่หูรูปทั้งหลายแสดงที่ตา พรรษะทลายเนี่ยกําลังแสดงอยู่ทั้งหมดเลยลองสํารวจวอกไปสิตอนเนี้ยหมดเลยมีทั้งหมดเลยใจกําลังคิดออะไรนี่แหละเขเอาเวลาละครเขากําลังแสดงอยู่ทุกขณะเขาไม่มีเวลาเขาเหมาะสมอะไรเขก็ขึ้นมาแหละเหมาะสมอะไรก็ขึ้นมาแหละเหตุปัจจัยคราพร้อมอะไรก็ขึ้นอะไรเขาไม่มีเวลาอย่างเราปิดไฟมืดปุ๊บเนี่ยเวทีไหนดับ ถ้ า, าหลับตาสร้างวิธีไหนดับตาพอหลับตาถ่านก็จะมองไม่เห็นนะเนี่ยวิธีไหนดับถ้าเวลาหลับวิทีไหนดับหลับหมดเลยเวลาหลับก้มจะไม่รู้เรืองหนึ่งหูก็ไม่รู้ตาก็ไม่รู้จมูกก็ไม่รู้กระไฮยังไม่รู้เรเลยนั่นแหละเวทีวิธีปิดวิธีหลับแบบปิดปิดลงละครปิดลงละครชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมตื่นขึ้นมาเอาไว้ฉะนั้น เวลาปฏิบัติทําจริงๆคือเดี๋ยวนเนี้ยเน้นลงไปขนาดนี้เรียนรู้ลงไปขนาดเนี้ไม่บอกลองดูซอยชีวิตแบบสั้นๆเล่น ๆ, นๆดูสิเวลากินข้าวก็จะมีละครเดี๋ยไปกินข้าวดูสิละครบอกแล้วว่าให้ดมก่อนเพื่อดูละครอันเนี้ยทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเรื่องของการศึกษาชีวิตนะแล้วถ้าใครเรียนรู้แล้วเข้าใจได้ครับยังไงจะอยู่กับชีวิตบนโลกใบนี้อย่างสบายเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้หนีไปไหน ยังเหมือนเดิมจมูกยังมีกลิ่นแสดงอยู่เหมือนเดิมตายังมีรูปแสดงอยู่เหมือนเดิมหูยังมีเสียงแสดงเพราะมันมีเวทีมันก็ต้องมีเรื่องที่มาแสดงตัวละครกับเรื่องราวเราก็มีหน้าที่ดูทั้งวันเนี่ยไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรดูละครโดยไม่ต้องเสียค่าไฟอะ่ะแล้วไม่ต้องมีเครื่องทีวีด้วยไม่ต้องมีทีวีด้วยมัน แล้วไม่ต้องมีเวลาด้วยจะดูตอนไหนได้หมดเลยสบายเนี่ยไฟก็ไม่ต้องเสียทีวีก็ไม่ต้องซื้อใช่ไหมสถานที่ก็ไม่ต้องไปหามีเรียบร้อยแล้วตั้งหน้าตั้งตาดูอย่างเดียวจบพอ <c oughs> ดูปุ๊บใจมันฉลาดใจมันรู้เรื่องใจมันรู้เรื่องเนี่ยแล้วใจมันจะทำยังไงหมันก็วางมันเองัแหละเข้าใจไหมสุดท้ายสรุป ต่อไปต้งถามแล้วทําเป็นไหม <c oughs> ต้องถามแล้วจะทำเป็นไหมเนี่ยไม่ใช่ไหมโอ้ยเรพูดจบแล้ว เ, เดี๋ยวค่อยไปทําเถอะอัอนี่มือน <c oughs> ไม่เป็นไม่ได้รู้เรื่อง <c oughs> ถ้าเรขารู้เรื่องมันต้องเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ฉันใช้ชีวิตขนาเนี้ยเป็นหลักจะกินข้าวเริ่มกินข้าวจนจบเป็นยังไงใช่ไหมอาบน้ําเริ่มอาบน้ําจนจบเป็นยังไงค่อยดูตัวเองเล่นๆไปเรื่อย ดูแบบไม่เอาอะไรเห็นการเกิดการหายของสภาวะมันเวลามันมีอารมณ์เกิดขึ้นมาปั๊บหนเราไม่จะไปดูอะไรแล้วฝากอีกอย่างหนึง่งคือเวลาเราไปดูอะไรพวกถ้าเราทําตามอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นจะเกิดกับเราบ่อยๆเครื่อว่ามิบาลสมมุติว่าเราเกิดความชอบใจอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วเราเวลาเราชอบใจพวกเราไปเสพมันเรื่อยๆไปสนองความชอบใจอันนั้นนะแล้วความชอบใจนั้นก็จะหายไป มือตัวอย่างง่ายๆเช่นเราไปเดินซื้อซื้อของซื้อของเนี่ยหรืออย่างโยมคิดถึงลูกเย่างนี้นะถ้าโยมคิดถึงลูกปุ๊บแล้วโยมวิ่งไปหานั่นแหละจิตของโยมต่อไปโยมจิตโยมจะไปอยู่ที่ลูกที่ลูกที่ลูกแล้ววันไหนถ้าโยมจากลูกอะไรอยี้ยโยมจะทรมานอย่างเนี้ยก็เดยวเวลาเรามีชอบความชอบใจแล้วเราสนองต่อมันไปพวกพอเราจากมันปุ๊บมันจะเริ่มเศร้าเริ่มเหงาเริ่มห่วงเริ่มกังวลเนี่ยนี่ยคือภาวะที่ตามมา แต่ถ้าเราถ้าเราจากมันแล้วเราหัดจากไปบ่อยเออมันชอบใจนะไม่ไปถาตามชอบใจนะไม่ไปถาตามชอบใจนะไมไปถาตามต่อไปมันจะหายแต่มันก็อยู่กับเขาได้อุปมาเหมือนคนติดบุหรี่สูบบุหรี่ครั้งหนึ่งที่แรกแมลองสูบก่อนนะไม่ติดหรอกแต่พอสูบแล้วติดใจก็จะเริ่มเพิ่มปริมาณการสูบมากขึ้นใช่ไหมจาก1มวน2 ม, ม, มวน3มมวนสมวนจะเป็น2ใช่ปะทีนี้เวลาเราก็จะเลิกการทํำยังไง แต่เรื่องแรกเขาไม่เคยติดครับแต่ด้วยการที่เข้าไปทําอารมณ์นั้นซ้ําๆไปสนองตอ่ออารมณ์นั้นซ้าๆอย่าลืมนะัไปสนองตอ่อมันซ้ําๆนะ่ยมันจะเกิดกับเราเรื่อยๆแล้วเรามันจะเป็นล่องนึกให้เราไหลไปร่วงทีนี้เราจะทํำยังไงเวลามันเกิดภาวะนั้นปุ๊บเหมือนคนอยากบุรี่อดใจแทรกทรมานหน่อ ย, ท ร, อยทรมานอยู่ไได้ทรมานดิ้นรนหาวิธีการคิดมากหาอุบายในทรมาน พอทนไปสัมพักหนึ่ง 1, สักพักหนึ่งสัมพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มจางขึ้นจางขึ้นจางขึ้นจางขึ้นจางขึ้นแล้วต่อมาผู้ไปแลาก็เห็นบุรีเป็นยังไงเห็นก็เหมือนกับเบื้องต้นบุรีคือบุรีเขาก็คือเขาแต่บุรีมีอยู่แต่ใจที่ไปผูกพันกับบุรีไม่มีเหมือนโยมมาอยู่เนี่ยลูกโยมมีอยู่แต่ใจที่ผูกพันกับลูกโยมไม่มีแต่โยมมีหน้าที่ดูแลลูกแล้วโยมจะดูแลอย่างสุขสบายเลยแต่ถ้าใจถ้าโยมไปหลงรักมันนะ ถ้าลูกเราไม่พอใจอะไรโยมจะพยายามหาสิ่งที่ให้ลูกพอใจโยมเพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ลูกจะได้รักโยมเนี่ยคนบนโลกนี้พ่อแม่ได้สงสารมากเลยหาวิธีที่ให้ลูกรักตัวเอง <c oughs> เลยลูกเสียหมดเลยหาวิธีกลัวลูกจะหนีกลัวลูกจะไม่อยู่กลัวลูกจะไม่รักหาวิธีเป็ดูที่โรงเรียนที่กรุงเทพน่าสงสารพ่อแม่เวลาลูกมันเป็นอะไรที่แม่จะตายก่อน <c oughs> ลูกมุ่งเมื่อกานี้หมเนี่ยไปไปสร้างความผูกพันไงแล้วความผูกพันนั้นก็หายผลสุดท้ายยมรักลูกหรือรักตัวเองรักตัวเองแต่เอาลูกมาสนองตอบทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเนี่ยเช่นแต่ถ้าเราเฝ้าดูมันเกิดเฝ้าดูมันหายบ่อยๆนะต่อไปนะมันจะมีเรื่องแบบ่นี้ยแต่มันไม่ทําให้เราสะดุ้งสะดือมาแล้วอ่ะเออไปแล้วอ่ะแค่นั้น แล้วเราจะจัดการกับมันยังไงทีนี้ก็ว่าอีกทีหนึ่งจัดการกับมันยังไงเวลามันมาแล้วเราจะจัดการแบบไหนให้เกิดประโยชน์นะถ้าเกิดโทษเราก็ไม่เอาปล่อยก็จะมีการบริการในการจัดการแต่ตอนเนี้หยุดตัวเองให้ได้ก่อนหยุดตัวเองให้ได้ก่อนแล้วพอหยุดได้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีเวลาในการพิจรารณาแล้วขทบทูนแล้วก็จะทํำยังไงกับสิ่ง น, น, นั้นแต่เงินไขตอนนี้หยุดตัวเองให้ได้ก่อนวิธีหยุดตัวเองทํำยังไงกลับมารู้ดี๋ยวนี้อยู่กับขนาดนี้ กับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเดี๋ยวเนี่นี่วิธีหยุดอาจจะจะดีขึ้นผมเอาแค่นี้นะวันนี้คือวิธีการดูตัวเองโดยผ่านกระบวนการในการเรียนรู้องค์ประกอบตั้งห้าประการหนึ่งเวทีคือเอาว่าทางภาษาเราเวทีคือตัวละครคือ เรื่องราวคือเรื่องราวคือเกิดแล้วก็หายออเอาแค่นี้พองงเรื่องราวไม่เยอะไปผู้ดูคือผู้ดูก็คือใจนั่นแหละใจมันจะมีระบบพิเศษของมันระหว่างรับรู้ได้ด้วยแล้วก็เรียนรู้ได้ด้วยใจก็คือผู้รู้ผู้ดูนั่นแหล ะ, ะเวลาคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ฉะนั้นเวลาเราไปเดี๋ยวนี้เริ่มต้น เบลเนี่ยจะไปทําอะไรแต่ละแต่ละขณะเนี่ยซอยให้มันทีทเีเล่นไปเล่นไปจากช่วงนี้ถึงช่วงเนี้ฉันลองดูสิฉันจะรู้กันเป็นอย่างนี้ค่อขั้นได้เท่าไหร่ถ้าคุณคิดอย่างนี้คุณไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอ น, นีะนตะากดหรอกคุณไม่มีหรอกคุณมีแต่อยู่เอ้ยข้างหน้าเนี่ยฉันจะเรียนรูนร้แบบสนุกสนุกกับมันไม่ซีเรียส น, นะอนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองต่อไปในวันนี้ ก็ขอให้ในระยะเวลาในระยะเวลาอันสั้นนี้ให้ทุกคนได้สิ่งที่จะนำไปพัฒนาตนเองนะให้พ้นไปจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่จะไปเชิญ ใ, ในภายภาคหน้าเข้าใจมันเข้าถึงมันแล้วก็วางมันได้ด้วยการทุกท่านทุกคนเิน